ที่ประเทศอเมริกานะมีบริษัทหนึ่งเขาทาเครื่องผลิตขนมปังนะที่มันพิเศษก็คือเป็นเครื่องที่ผลิตขนมปังในบ้านในครัวเรือนนะเขาคิดว่าตอนนี้คนก็สนใจเรื่องสุขภาพเยอะนะแล้วก็อยากจะทําขนมปังกินเองไม่ใช่ไปซื้อมาจากร้านค้าซึ่งอาจจะ คุณภาพไม่ดีก็คิดว่าจะขายได้ เ, เป็นที่นิยมนะเขาก็ตั้งราคาประมาณ275เจ็ดห้าเหรียญก็8 0 0พกว่าบาทนะก็ถือว่าราค า, าไม่ได้ถูกเลยแต่คิดว่ายังไงก็คงจะขายดีนะปรากฏว่าขายไม่ค่อยออกนะก็แปลกใจว่าทำไมคนไม่ซื้อนะ แล้วเขาก็เลยจ้างบริษัทวิจัยตลาดนะมาหาทางออกเรื่องนี้เพราะว่าลงทุนไปเรียกว่าหลายสิบล้านแล้วบริษัทวิจัยตลาดเขาแนะนำยังไงรู้ไหมแค่แนะนำว่าให้ทำรุ่นใหม่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็แพงกว่ารุ่นเดิมเนี่ยห้าสิเปอร์ซต ก็คือประมาณ400กว่าดอลลาร์เจ้าของบริษัทก็ที่แรกก็งงนะว่าขนาด275ดอลลาร์คนยังไม่ซื้อเลยแล้วใครจะไปซื้อ400นะแต่ว่าก็เชื่อนะนไหนๆก็จ้างบริษัทวิจัยตลาดมาแก้ปัญหานี้แล้วก็ทำตามที่เขาแนะนำนะบอกว่าขายดีนะ แต่ที่ขายดีนี่ไม่ใช่รุ่นใหม่ที่ขายดีนะให้รุ่นเดิมรุ่นเก่านี่แหละที่ขายดีให้แปลกมามทำไมตอนแรกเนี่ยขายไม่ออกนะแต่พอผลิตรุ่นใหม่มาไอ้รุ่นเก่านี่กลับขายดีที่ขายดีเพราะคนรู้สึกว่าสองรเ็สิบห้าเนี่ยมันถูกเขาเคิดว่ามันถูกเพราะมันมีสี่ร้อยเป็นตัวเทียบ บริษัทวิจัยตลาดเนี่ยเขาแนะนำให้ผลิตรุ่นราคา400บาทเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาคิดว่ามันจะขายได้นะแต่พราะเขารู้ว่ามันจะเป็นตัวล่อเป็นตัวล่อให้เกิดการเปรียบเทียบและเปรียบเทียบระหว่าง400กับ275เนี่ยก็จะรู้สึกว่า275มันถูกนคนคนพอรู้สึกว่าโอ้ย275มันถูกนะคนก็รีบซื้อเลยอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของ การใช้จิตวิจารณ์ของคนคนเนี่ยชอบเปรียบเทียบของแพงๆเนี่ยนะถ้าหากว่ามันมีอะไรที่แพงกว่านี่เราจะรู้สึกเลยว่าไอ้ของที่เคยเห็นครั้งแรกนี่มันถูกอันนี้ก็ไอ่ทำให้หลายคนเนี่ยคลายความสงสัยได้บางคนเนี่ยเคยไปเข้าร้านพัตคารที่ราคาหรูพัตคารหรูพัตคารหรูเนี่ยนะ หลายร้านนี่เขาจะมีขายไวน์วน์ขวดหนึ่งก็ประมาณสัก 2,000 บาทแล้วก็มันจะมีไวน์ที่ราคาเป็นหมื่นนะอยู่ด้วยในเมนูบางคนสงสัยใครว่าจะซื้อนะไอ้วน์ราคาเป็นหมื่นนะ ที่จริงเขาติดราคาเองงั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะคิดว่าคนจะซื้อนะแต่เพราะเพื่อล่อให้คนเนี่ยซื้อไวายราคาสองพันเพราะจะรู้สึกว่าสองพันมันถูกนะสินค้าหลายอย่างที่เขาผลิตมาไม่ได้เพื่อขายนะเพื่อเป็นตัวล่อให้เราซื้อของที่ถูกกว่านะอันนี้มันเป็นจิตวิทยาที่ใช้ได้ผลมากตามห้างร้านต่างๆ่ า, านะ บางอย่างเราก็ไม่อยากซื้อนะแต่พอเราเห็นว่ามันถูกเราก็ซื้อที่ถูกเพราะอะไรเพราะหนึ่งเพราะลดราคาสองเพราะมีการเปรียบเทียบ ว, ว่าของอย่างเดียวกันอีกยี่ห้อหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งมันแพงไอ้ของถูกเราก็เลยซื้อเลยนะทั้งที่ไม่ได้มีความอยากจะซื้อเลยตั้งแต่แรกแล้วคนเราก็ถูกหลอกให้ซื้อเนี่ยอย่างนี้เป็นประจำนะเพียงพราะเห็นว่ามันถูก แล้วเขาก็มีวิธีการทำให้เรารู้สึกว่าของที่เขาวางขายนี่มันถูกเพราะคนเราเนี่ยมีลักษณะชอบเปรียบเทียบแล้วมันก็ทำให้ไอ้การที่มีสายชอบเปรียบเทียบเนี่ยนอกนอกจากม่ทําทำให้เราเนี่ยถูกลงกระเป๋าได้ง่ายแล้วหรือว่าควักกระเป๋าไปซื้อของที่ไม่จำเป็นแล้วเนี่ยบออ่อยครั้งก็ทำให้เราทุกข์นะ ซื้อมาแล้วก็ยังทุกมีเพื่อนคนนึงไปปักกิ่งแล้วก็ไปตลาดรัดเสเซียซึ่งมีของราคาถูกเยอะแยะแล้วก็เป็นของแบรนด์เนมนะจะเป็นของของเทียมของปลอมเขาก็ไปซื้อกังเกยงยินยี่ห้อดังมาราคาตั้งเอาไว 400, ้สี่ร้อเขาก็ต่อนะจนเหลือร้อยหนึ่งไอ้4ี่ร้อยนี่ก็ถูกอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นของปลอมไง แต่ยี่ห้อมันดีนะถ้ายี่ห้อถ้าซื้อของจริงก็เป็นหมื่นนะสี่ร้อยนี่ก็ถูกแล้วต่อจนได้ร้อยหนึ่งก็ดีใจนะเอาขึ้นรถทัวร์กลับโรงแรมแต่พอรู้ว่าเพื่อนที่ไปได้วยกันเนี่ยเขาซื้อได้ถูกกว่านะซื้อได้แ <laughs> ปดสิบเพราะว่าแกว่กกันนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะเสียดายกูน่าจะซื้อ8ปดสิบนะ ควรเราเป็นอย่างนี้นะทั้งที่ไอ้น่าจะมองว่าเออไอ้ร้อยนึงก็ถูกอยู่แล้วนะทำไมจะมาทุกข์กับแค่ว่าซื้อแพงกว่าเพื่อนยี่สิบบาทหลายคนก็คงเจออย่างนี้นะบ่อยนะไปซื้อของในตลาดในบาซ่าห้างสรรพสินค้าโดยพราะของที่มันวางแบกกระดินเนี่ยเพราะมันต่อราคาได้นะ ของห้าร้อยเราต่อมาได้สามร้อยดีใจพอเจอเพื่อนคุยไปคุยมาเพื่อนบอกเขาซื้อได้สองร้อยเนี่ยเราเสียใจเลยเป็นทุกข์แล้วก็พลอยไม่ชอบของชิดตั้นขึ้นมาบางทีไม่อยากใส่เลยนะหรือไม่อยากใช้เลยเพราะมันมันเตือนใจให้นึกถึงความที่แรื่ความขลันะ จริงๆมันไม่ใช่ความเคลานะในการที่เราซื้อของอแพงกับคนอื่นมันไม่ใช่เป็นความเคลาไอ้ที่เคลาแต่ที่เคลาก็คือว่าซื้อแล้วเนี่ยเป็นทุกข์กับมันแทนที่จะพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้เนี่ยคาถาของนักช้อปปิ้งเนี่ยที่จะมาเวลาพาคนไปเทีย่ยวแล้วเขจะไปช้อปปิง้งเขาก็บอกนะให้ท่องคาถานี้ไว้นะพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ถ้าท่องคาถานี้แล้วทาตามนะจะไม่มีความทุกข์เลย นะกลับมองว่าเออเราซื้อมาร้อยหนึ่งนะก็ถือว่าโชคดีแล้วของมันต้องราคาต้องสี่รอยเราต่อได้ร้อยหนึ่งอย่าไปสนใจว่าคนึ่งเขาจะซื้อได้70หรือ60นะถ้าเขาซื้อแดงงก็แสดงมุทิตาจิตเขาเออเขาก็เก่งนะเขาต่อได้เก่งกว่าเราหรือว่าเขาโชคดีกว่าเราแค่นั้นก็จบไม่ต้องมาเอาไปทุกจนนอนไม่หลับไม่คุ้มเลยนะ แค่ส่วนต่าง20ิบาทเนี่ยกับนอนไม่หลับทั้งคืนเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าโง่แล้วนะไม่ใช่เฉพาะของซื้อเท่านั้นนะบางทีของแจกนะถ้ามองไม่เป็นก็ทุกข์นะทุกข์เพราะการเปรียบเทียบนี่แหละอันตมาเคยไปบรรยายที่สวนมกุลกรุงเทพคนก็มาฟังกันเยอะเพลินหนังสือที่เตรียมไว้ไม่พอพอบรรยายจบ ก, ก็บอกว่าหนังสือมันไม่พอน ะ, อะบางคนอาจจะไม่ได้ เสร็จแล้วก็เริ่มที่จะแจกหนังสือหอแรกเนี่ยมันเป็นหนังสือขนาดเท่ามือเนี่ยนะคนก็มาเข้าคิวรอรับแจกทุกคนที่ได้ก็ดีใจนะพอหมดหอนี้ก็เอา ห, หอที่สองม า, า อ, อันนี้หอที่2นี่เป็นหนังสือเล่มใหญ่กว่าขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กนะคนที่ที่แรกไม่ได้หอแรกเนี่ยเขาก็ดีใจนะโอ้ได้หนังสือ แต่พราะว่าคนที่ได้นังสือเล่มเล็กจากขอแรกเนี่ยพอรู้ว่ามีแจกขอใหญ่แล้วมีคนได้นังสือเล่มใหญ่หลายคนก็ที่ดีใจก็เสียใจเลยนะมีบางคนมาหาแล้วบอกว่าขอแรกได้ไหมขอเปลี่ยนได้ไหม <c ười> คือเล่มเล็กจะเอาเล่มใหญ่คือถ้าไม่ได้จะมีความทุกข์มากเลยที่น่าจะดีใจนะเอยฉันได้ของฟรีคนอื่นเขาไม่ได้กันแต่ฉันได้เล่ม เล่มนี้ถึงแม้มันจะเล็กกว่านี่ขนาดคนที่สนใจธรรมะนะคนที่มาฟังธรรมะที่ธรรมาบัญญัติก็ต้องสนใจธรรมะอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังวางใจไม่เป็นทั้งที่ในในคำบรรยายนี้ก็พูดเนี่ยเรื่องนี้แหละว่าคนเราทุกข์เพราะเปรียบเทียบแต่พอแต่พอเจอเองเนี่ยลืมตัวได้เล่มเล็กนะแทนที่จะมองให้ถูกมองให้เป็นเออฉันคนอื่นเขาไม่ได้กันฉันได้ กับหมอว่าคนหนึ่งเขาได้เล่มใหญ่ฉันได้เล่มเล็กแล้วที่จริงเล็กไปใหญ่มันก็ไม่ได้บอกอะไรเลยเพราะว่าเล่มเล็กอาจจะดีกว่าเล่มใหญ่ก็ได้แต่นี้เขายังไม่ทันจะอ่านเลยไม่ทันจะดูเลยนะเห็นเล่มใหญ่ก็เกิดเป็นทุกข์แล้วว่าคนหนึ่งได้ฉันไม่ได้อันนี้หลาเรียกว่ามองไม่เป็นนะและที่มองไม่เป็นก็เพราะการเปรียบเทียบนี่แหละไอ้การเปรียบเทียบ ม, มันทําให้คนเราทุกข์นะบางทีไม่ใช่แค่ทุกข์ใจนะอาจจะทุกข์กายด้วย เขามีการวิจัยพบ ว, ว่าคนที่มีเพื่อนเป็นคนรวยนะรวยกว่าดีกว่าเนี่ยคนที่มีเพื่อนเนี่ยเป็นคนรวยกว่าเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากกว่าเพื่อนที่แวดล้อมอยู่ยี่ิเปซ็นตะแปลกไหมใครๆก็อยากมีเพื่อนรวยนะเพราะมีเพื่อนรวยก็เป็นหน้าเป็นตาหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ลาบได้ได้ของฟรีจากเพื่อนแต่ว่าในอีกด้าน หนึงเนี่ยมันก็เป็นด้านกลับนะก็คือว่ามีเพื่อนรวยกว่าตัวเองเนี่ยตัวเองก็อาจจะมีโอกาสป่วยได้ง่ายทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้จนนะก็รวยเหมือนกันแต่รวยระดับสิบล้านหรือว่าหลายสิบล้านส่วนเพื่อนนี่ระดับร้อยล้านพันล้านทาไมมีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากกว่า <S <S เพราะเครียดเพราะรู้สึกว่าโอฉันจนนะ พอมีคนรวยกว่าเนี่ยเราจะรู้สึกแล้วว่าเราจนนะเรายังมีไม่พอรู้สึกด้อยขึ้นมาเลยไอความรู้สึกด้อยเนี่ยมันทำให้เครียดแล้วก็ทำให้เป็นโรคหัวใจได้ง่ายนะอันนี้พอเปรียบเทียบนะ เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยแม้ว่าแม้ว่าจะได้อะไรมาถ้าแม้เป็นโชคเป็นลาบหรือความร่ำรวยแต่ถ้าหมอไม่เป็นก็เป็นทุกข์นะ เคยมีชาวบ้านที่แถวผู้หลงเนี่ยไปซื้อหวยไปแทงหวยใต้ดินนะสามตัวบอกว่าถูกนะแทงสิบห้าได้มาหกร้อยมั้งแกก็ดีใจนะยิ้มหน้ า, ห น, า, าหน้าเรีว่าหน้าช่มชื่นเลยยิ้มหน้าบานเลยนะไปอวดคนนั้นคนนี้ว่าโชคดีนะถูกหวยได้หกร้อย แต่พอไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาซื้อตัวเดียวกันเลยแต่เขาซื้อห้าสิบเขาแทงห้าสิบก็เลยได้สองพันคนได้หกร้อนะพอรวบวเพื่อนได้สองพันนะที่เคยยืมนะหุบเลยนะนะโอนไม่น่าเลยนะฉันน่าจะแทงให้มากกว่านี้นะคิดไปเลยแบบนี้นะอันนี้เพราะอะไรนะเพราะมองไม่เป็นนะคนที่มองเป็นก็ก็ดีใจนะเออฉันโชคดี แต่พอไม่เป็นพอมองไม่เป็นเนี่ยเห็นคนอื่นเขาได้มากกว่าทุกเลยคนที่ได้บนญรัติเยอะๆก็ทุกเพราะเห็นนี้นะทุกเพราะว่าเห็นคนอื่นได้มากกว่าไอ้คนเราเนี่ยถ้ามองไม่เป็นนะแม้ได้โชคได้ลาบก็ทุกนะไม่ใช่ว่าได้โชดได้ลาบแล้วจะเป็นสุขมันอยู่ที่การมองด้วยนะเราก็อ่พูดกันเท่า น, นี้เะเตรียมรับพร อิชิตังปฏิตังตุมหังคออิทธผลที่ท่านปาถนาแล้วตั้งใจแล้วทีบามวาสมมีชาตโตจองสําเร็จโดยชาพรานสาเพผููเรนตุสังถาภาขอความดำริทางพวงจงเด็มที่จันโทปนรโสยตาเมือนพระจันท์ในวันเพนมณีโชติรโสยตาเงอนแก้มณีอันสว่างสวัยควยินดี สาพิทโยวิวาชนตูวานจารายท่างขวงจงบำราดไปสาพรโลกวินาศตูโรทั้งขวงของท่านจงหายมาเทพัดมันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีธิกายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาพิวาทตนาสิเลสานิจังุทธาจัยญโน จัตาโรธรมมวันธานทีอายุวันโนสุขังภลังานสิบอาการคืออายุวันณาสุขะภะละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิภาวันตุสาภมังคลังขอสาภมงคลจงมีแก่ท่านราภันตุสาภเทวตาขอลาเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน สัพพะพุทธานุภาเวนะโวยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะโวยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพะสังขานุภาเวนะโวยอนุภาแห่งพระสงฆ์สานตาสอดทีภาวันโตเตาอความสอดทีทั้งไหลย่อมมีแก่ท่านดูเมื่อเธา